นี่คือรายการเปิดตํามทีู่กผิดภาคออนไลน์ธรรมาพระภัยบุญอภิปุโนจากวัดป่ารนไนโศครับกับผมธนแพทย์นัทพงศ์กนกวิรุณจากกรุงเทพครับนี่เอพิโซดที่75ครับ75แล้วเป็นตอนที่เราจะพูดถึงเรื่องกรรมรกกรรอเรือรอเรือ ม, ามา้านะกรรมเนี่ยก็เริ่มกันเลยนะไม่ให้เป็นการเสียเวลารกรรมนี้แปลว่าแปลวาไมารมรง การกระทำโอ้โหเจตนาแปลว่าการแปลว่าแปลว่ากรรมครับทีนี้ว่าเจตนากับกรรมการกระทําเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันยังไงคือถ้าโดยเรามาดูรักสับกันวันนี้เลียภาษาบาลีแลขอพูดภาษาบาลีนิดนึงนะอีกครับคำว่ากรรมเนี่ยนะถ้าเราเราเราพูดถึงรักสับนะพระเจ้าพูดถึงเจตนากับกรรมนะแต่แต่ว่าไอ้เจตนากับกรรมเนี่ยมันต่างกันยังไงถ้าโดยรักสัพบแล้วเนี่ยเจตนาเนี่ยนะคือมันมุ่งที่จิตเนี่ยอยู่ในจิต แต่กรรมเนี่ยพูดถึงการกระทําในภายนอก อ, อทีนี้กรรมกับกิริยามันจะเหมือนกันกิริยานี่คือคือคือ action ที่เรา take ใช่ไหมที่เราทำแต่เพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยคือ action ที่เราทำนั่นเองแต่จะเป็น action ที่เน้นทางด้านภายนอกแต่เจตนาเนี่ยเป็น action ที่เน้นทางด้านภายในในจิต <voiced. S 1> ใช่เ<ๆ>พราะฉนั้นผู้เช่าพูดถึง3อย่างนี้ไม่เหมือนกันนะเช่นรร ม, มีกรรมมีกิริยามีวิรยิยะ3มอย่างนะกรรมกิริย า, ค, าความเปลี่ยน3มอย่างไม่เหมือนกันนะ แต่คือมันซินโนนิมกันมีความหมายคล้ายๆกันอยู่แต่กรรมเนี่ยเน้นทางด้านภายในคือเจตนาครับเพราะว่ากรรมคือเจตนาใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมมติเราทําอะไรไปโดยไม่มีเจตนาแต่ได้ทํำไหมทํานะับใช่ไหมคือมีกิริยาเกิดขึ้นแต่เจตนาอาจจะไม่มีในอย่างที่ภาษาชาวบ้านเขาจะพูดกันว่าอะไรอ่ะทำโดยไม่ได้เจตนาทำไม่ใช่คหมขับรถชนแต่ไม่ได้เจตนาอย่างเงี้ยก็จะโทษก็จะลดยันลงไป ทีนะ<ม>นี้การกระทําได้เกิดขึ้น<ง>กิริยาได้เกิดขึ้นอยูนะ่กิริยาคือการกระทําเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเราจะพูดใช้ความหมายให้ชัดเจนนิดนึนงนะครับ อ, อกิริยาได้เกิดขึ้นอยู่นะแต่เจตนาไม่มีออ่าเจตนาไม่มีแต่กิริยาได้เกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นไอ้การกระทําอย่างนี้ผลที่เกิดขึ้นของเจตนานั้นก็เป็นอโหสิกรรมเป็นอโหสิกรรมอโหสิกรรมจะเกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าคุณไม่ได้มีไม่ได้มีกรรม นะไม่ได้มีกรรมคือเจตนาไม่มีนะแต่การกระทําได้เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้น <wont> ผลของการกระทําตรงนั้นเนี่ยผลของกิริยาตรงนั้นเนี่ยจะผ ล, ลออกมาจะเป็นอโหสิกรรมอ๋มออโหสิกรรมจะเกิดอย่าง น, น, นี้ครับทีนี้บุญช่าก็จะพูดถึงสามอย่างว่ามีกรรมนะมีนะเจตนาทางใจมีนะกิริยานะมีนะคือการกระทําที่เกิดทางภายนอกนะความเพียร น, นะมีนะคือการที่เราตั้งความเพียรที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะอืมทีนี้ ส า, สามอย่างนี้มันก็คนละอันลนกันแต่ว่ามีความหมายคล้ายๆกัน <ไป S 1> นะพระรูชาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นพระรูชาที่ไหนหมายความว่าจะอดีตการ์นาลายแรงอนาคตหลืปัจจุบันนี้เนี่ยก็บอกว่ามีกรรมมีกิ ร, ริยามีความเพียรทั้งหมดอ๋อมีามออ ก, กรารองประกอบแต่ว่าสามอย่างนี้ก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนะครับทีนี้ทําให้เราไปคิดว่าอ๋อไอ้ที่เราบอกว่าเป็นอโหสิกรรมกรรมต้องมีผลอะไรอย่างเงี้ยนะ ทีนี้ผลว่ามันจะเกิดขึ้นมากน้อยผลจะเกิดเมื่อไรผลจะเกิดยังไงผลจะเกิดที่ไหน น, นี่เราพยากรณ์ไม่ได้เลยเคือคือเราไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องผลของกรรมเนี่ยผลของกรรมนะเราต้พูดผลของกรรมนะเป็นเรื่องที่เป็นอจชินตับนะอาชินตายก็หมายความว่าจะไปคิดใคร่ครวนเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีส่วนใงความเป็นบ้าเสียเปล่าอืมคําถามก็คืออะไร คำถามก็คือว่าเอาทําไมชาวบ้านเขาอยู่ใกล้พระอรหันต์อย่างสมมติครูบาอาจารย์เนี่ยมมาานนยวัดอยู่ตามบ้านนอบ้า น, นาแล้วชาวบ้านนี่ก็อยู่ใกล้โอ้โหหลวงพ่อหลวงตาหลวงโอ้ที่เป็นชื่อมีขึ้นชื่อว่าเป็นพระอรหันต์โอ้บุญใส่บา ท, ทุกวันเลยเอาทําไมเขายังจนอยู่อืมอทําไมไม่รวยสักทีทำบุญอย่างนี้ขนาดนี้น่าจะต้องกับเนื้อนาบุญดีขนาดนี้น่าจะต้องเห็นผลเร็วๆชัดเจนครับอ่าอันนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้พนะพุทธเจ้าบอกงนี้เอาพระเจ้าปัญานะ ครับแล้วยังไงครับพระพาทธเจ้า <Cast ing> บอกว่าผลของกรรมเนี่ยที่ให้ผลอยู่นะให้ผลเป็นทุกข์ก็ตามนะขอให้ผลเป็นสุขด้วยความเพียรด้วยการขอด้วยความเพียรหรือด้วยการการะทำอย่างหนึงน่งเนี่ยไม่ได้นะถ้าสมมติว่าเราเราได้ผลของกรรมนะที่ให้ผลเป็นทุกข์อยู่นะหรือให้ผลเป็นสุขอยู่จะขอให้เปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้ อ, อ๋อก <chemistry. S 2> <Could S 1> ็ต้องรับผลอันนั้นไปใช่หรือว่าขณะนี้ผลของกรรมนี่กําลังอ่าให้ผลยังไม่เสร็จ เราขอให้ผลของกรรมนี้ให้ผลเสร็จอันนี้คุณขอไม่ได้อืมด้วยกําลังด้วยความเพียรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยทําไม่ได้แเดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณสร้างกรรมดีเช่นให้ทานรักษาสินเจริญภาวนาแล้วขอว่าโอ้ผลของกรรมที่ฉันกําลังได้รับอยู่ความทุกข์นี้ขอให้สิ้นไปสิ้นไปเถอะแต่อย่งนคุณไม่ได้อผู้ชายไม่สอนอี้โปรฟังอีกครั้งหนึ่งนะวัดร้อฟงสมมติเราสร้างบุญให้ทานรักษาสินเจริญภาวนาแล้วขอให้ค้าขายรวยขอให้ค้าขายดีอันนี้คุณ คุณขอไม่ได้นะอ๋อมันต้องมาเองเมื่อเหตุปัจจัยถ<ช>ูกความใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราเชื่อว่าด้วยกําลังด้วยความเพียงของเราที่จะทําอย่างนี้แล้วจะทําให้ผลของกรรมเกิดขึ้นนะเป็นอีกอย่างหนึ่งหรือเป็นอย่างที่เราต้องการให้ผลที่ยังมันจะให้ผลในภายหน้าแต่ขอให้ผลเดี๋ยวนี้มันมันทําไม่ได้ออืมครับใจร้อนไม่ได้นะครับตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับเหมือนกับต้นไม้<อ>นะคุณคว่านปุย๋ยรดน้ําพรวนดินมันก็มีเวลางอกของมันเอง ทําให้ทําให้บางคนเนี่ยพออาตมาบอกว่าเอ้ยคุณขอไม่ได้นะทําบุญให้ทางรักษาศีลเจริญภาวนาและขอให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทําให้บางคนจะคิดไปสุดต่อยข้างหนึ่งงั้นกูไม่ทำใช่ไม่ทํำหรอกฉันจะนี่ทําไปทําไมทําแล้วไม่ได้ไม่ได้ผลก็ถ้า บ, บอกว่าไม่ได้ก็พูดไม่ถูกมันได้อยู่แต่มีระบบของมันเพราะฉะนั้นเราต้องพูดอย่างนี้บอกว่าอ่าาผลของการ ม, มีแน่นอนนะให้ผลในเวลาปัจจุบนันให้ผลในเวลาถัดมาให้ผลในเวลาตัดมาถัมาอีกมีแน่นอนฟันตรง แต<ภ>่แต่แตคุณจะบอกว่าไอ Load ้ที่ให้ผลอนาคตเนี่ยขอให้ผลเดี๋ยวนี้อย่ไม่ได้ไม่ได้นะนะครับอันนี้พระวจนะนะครับตั้งใจ ด, ด้วยการกระทําของเราสักอย่างใดหนึ่งด้วยกําลังด้วยความเพียรขอผลกรรมที่ให้ผลในอนาคตเนี่ยขอให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ได้นะ <tez S 2> อืมอ่า <tuning> ไม่ได้ไม่ได้ไปเร่งเร่งไม่ได้ใช่หรือว่าขอที่ให้ผลปัจจุบันเนี่ยโอ๊ยตอนนี้ฉันยังไม่แดกไดตนนไ้ตอนนี้ฉันยังมีสุกอยู่เอาไว้นูดตอนที่ฉันลำบากลำบากค่อยไปให้ผลไม่ได้ มันเป็นตามระบบของเขาแต่แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ทำนะมันต้องได้แน่นอนนะเราก็ต้องสร้างเหตุที่ถูกต้องตลอดใช่เพราะนั้นเราจะจะไม่ได้ว่าสุดตรงสองข้างคือไม่ใช่ว่าเราไม่ทำเลยหรือเราทำจนตั้งเราขอต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ตามที่เรากาเกณฑ์มันไม่ใช่ตรงสองข้างแต่แต่มีระบบระเบียบของเขาอยู่ นี้อันนี้คือเรื่องผลของผลของกรรมหมอรัตพงว่าไปทีนี้ควรทํายังไงครับเอาตรงตรงกลางในวิธีปฏิบัติตรงกลางก็คืออะไรประเด็นที่หมอรัตพงษ์ถามก็คือว่าแล้วปัจจุบันจะทํำยังไงใช่ไหมที่พูดเมื่อมาสักครู่นี้คือเรื่องผลของกรรมนะที่ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตามหรือผลที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ตามใช่ไหมที่เราบอกว่าเราจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผลตรงนี้ได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องอาจินตายมันก็เกิดไปตามระบบของเขาทีนี้ถามว่าเราปัจจุบันทําอะไรผู้าบอกงี้ นะบุคคลเนี่ยไม่ควรจะไปถือสาระสำคัญเรื่องอื่นๆนะอย่าไปถือเรื่องอื่นๆเป็นสาระสำคัญคแะแล้วก็ควรจะมีความพอใจที่จะทำหรือความพยายามที่จะละในสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ควรละฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าเราไปถือเรื่องผลของกรรมเป็นเรื่องสาระสำคัญนะเช่นว่าผลของกรรมเกิดขึ้นเพราะเหตุเหตุบุคคลที่เป็นเจ้าเป็นนายเป็นเทวดาเป็นพระเจ้าอะไรพวกนี้ หรือว่าถ้าเราไปถือสาระสำคัญด้วยความที่ว่าเออเป็นกรรมเก่าอย่างเดียวหรือว่าไปถือสาระสำคัญว่าเออฉันก็รับรับไปฉันก็มาชดใช้กรรมเก่าถ้าคุณถือสิ่งพวกนี้เป็นสาระสำคัญแล้วไม่ละสิ่งที่ควรละไม่ทำสิ่งที่ควรทำเธอชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่มีสตินะไม่มีสาระเลยจะมาพูดด้วยกันหมายความว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ตามนะสิ่งที่เราควรทำคือละสิ่งที่ควรละเว้นให้จริงๆจังๆทำสิ่งที่ควรทำให้จริงๆจังๆ อะไรคือสิ่งที่ควรละอย่างจริงจจัง ๆ, ๆอกุศลทั้งปวงใช่อกุศนละธรรมทั้ง10บอย่างมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์บริบปดในการพูดเ ท, ท็จพู ด, พดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพอเจอร์การมีอภิชาการมีพยาบาทาแล้วก็มิจฉาทิฐิครนะสิบอย่างนี้ต้องละให้จริงจรงจัง ๆ, ๆ, ๆ, ๆเอาแล้วแล้วอะไรที่ควรทําจริงๆจังๆังอนะก็คือตรงกันข้ามสิบอย่างการไม่ลักทรัพย์กับไม่ฆ่าสัตว์ไม่บริบปดในการพวกนี้ ิบอย่างเนี่ยต้องทำอย่างจริงๆจังๆครับอ่าทีนี้ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วแล้วเราจะหวังบทไหมหวังก็ได้ไม่หวังก็ไม่ได้อหวังหวังก็ได้ไม่หวังก็ได้หรือจะหวังหรือไม่หวังก็ได้ก็ต้องได้เหมือนกันเพราะเหตุแห่งการที่ได้ผลนั้นเธอได้ทำถูกต้องแล้วโดยรากเงาเพราะนั้นเราเดินตามมาร์กนี่ถูกไหมใช่ครับเราตามมารกคุณจะหวังไม่หวังก็ได้ผลแหละวระเด้นก็คือว่าเราอย่าไป วหวังเปลี่ยนแปลงตรงนี้ด้วยกําลังด้วยความเพียรนะด้วยการตั้งความปรารถนาก็ตามด้วยการมีความขออ้อนวอนก็ตามออมันจะไม่ถูกต้องระบบของกรรมครับอืมที่ถูกต้องระบบของกรรมคือเรามีความเชื่อว่าเออมันก็เป็นไปตามระบบของเขาเรื่องผลของกรรมเป็นเรื่องอดีตในไม่ต้องไปคุณคิดให้มันมืนหัวครับออ่าืแล้วเราก็สร้างกุศลทันเองสร้างสิ่งที่คนทําละสิ่งที่ไม่ควรทํา อย่างนี้ก็เป็นหลักหลักการที่พระพุทธเจ้าเก่าไว้แล้วว่าะอุคุศนทําอุคุศนให้ถึงเขาใช่ใช่ครับทีนี้มันต้องพูดถึงเหตุตรงนี้นิดหนึ่งนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของผลของกรรมนะวัดละทงผลของเจตนานะผลอของเจตนาคือผลของกรรมนะอาจจะให้ผลเป็นอโหสิกระดาคือให้ผลเป็นแบบไม่ให้ผลคือให้ผลเป็นไม่มีครนะอย่างเช่นว่าเราเราทํามีกิริยาโดยไม่ได้เจตนานะผลที่เกิดขึ้นก็จะเป็น ผลคือไม่มีผลนะหรือบางทีเราให้ทานในขอทานอย่างเงี้ยให้มากๆเลยคุณหวังว่าโอ้ผลมันจะได้มากนแต่ไม่ได้ก็ผล ม, มันให้น้อยผลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานในขอทานมันจะน้อยกว่าผลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานในพระอ า, หารหันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นขอผลที่ว่าจะให้น้อยเป็นให้มากขอผลที่ของกา ร, รที่จะให้มากเป็นให้น้อยอันนี้เราจะทําไม่ได้มันก็เป็นไปตามระบบของเขาครับอ่า น, นี้จะพูดถึงร า, ายละเอียดนิดนึงนะ แล้วก็ขอของที่จะต้องให้ผลว่ า, าใหญ่ผลอย่าสมมุติเราไปทํารําชั่วเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งนะมันต้องให้ผลแน่เลยว่าอขอ โ, อโหสิเธอขอโอหสิแต่พูดอย่างนี้นะไอชิ้ น, นที่ฉันทําชั่วทําบาปมาแล้วขอเป็นโอโหสินะอะถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยด้วยความที่หวังว่าจะให้ให้ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะอย่างสมมุติว่าไปตลาดนะแม่ค้าด่าลูกค้า แม่ค้าด่าลูกค้าเสร็จปุ๊บแม่ค้าอยู่มาวันหนึ่งมารึกได้ว่าโอ้ฉันด่าไม่ดีเลยงั้นก็ไปขอโอโหสิกรรมกับลูกค้าอ่าถามว่าการที่แม่ค้าไปขออโหสิกรรมกับลูกค้าเนี่ยผลของกรรมที่แม่ค้าด่าลูกค้าไปแล้วเนี่ยนะจะให้ผลไหมหมอได้บอกว่าไหมันน่ามันน่าจะให้ผลมันต้องให้ผลแน่นอนใช่ครับเพราะฉะ้ที่เราบอกว่าโอโหสิกรรมขอโอโหสิกรรมขอโอโหสิกรรมเนี่ยนะเป็นบทเพียนชนะที่เราอาจจะใช้ไม่ถูกต้องนะจริงๆก็ต้องบอกเราฉันขอโทษ ใช่ครับอย่าพับผิดใช่ก็พูดแค่ว่าฉันขอโทษเธอนะฉันขอโทษเธอนัก็แค่นั้นเองครับทีนี้ไอ้ตองขอโทษเนี่ยแล้วถามว่าคุณขอโทษหมายความว่าไงนะคือประกาศความผิดของตัวเองออกมาแล้วถูกรับประกาศความผิดของตัวเองออกมาแล้วเห็นโทษโดยความเป็นโทษก็ทําคืนตามทําคือไม่ทําอีกไม่ทําอีกเพราะฉะนั้นเรามีเจตนาที่เราจะไม่ทําอีกนะอเรามีเจตนาที่เราจะไม่ take action นี้เรามีเจตนาที่จะไม่สร้างกิริยานี้อีก และเพราะนั้นผลที่มันเกิดขึ้นก็จะเป็นอโหสิกรรมแน่นอนเพราะมันจะไม่มีผล อ, ข อ, อนะืของอันใหม่นะของอันใหม่ที่คุณไม่ได้ทําครับถูกไหมแต่อันเก่านี่ก็จะแสดงผลอย่างนั้นใช่ไหมใช่อันเก่ายัางไงคุณต้องได้รับครับทีนี้ไอ้เรื่องของการได้รับเนี่ยมันอาจจะมีมากมีน้อยมันตามระบบเหมือนกันนะมากน้อยมันเปลี่ยนแปลงได้ตรงนี้นะตรงรรที่ว่าพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับเกลือนะเอาเกลือมาก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งไปใส่ในแก้วน้ํา อ, อาหน้ำออกมานี้ก็เค็มแต่ถ้าเอาเกลือก้อนเดียวกันไปใส่ในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ําคงคานะความเค็มนั้นก็จืดไปก็แทบจะไม่มีความเค็มเลยเกลือเนี่ยเปรียบเสมือนไอ้กรรมชั่วนะที่จะให้ผลเป็นทุกขนะ์กรรมชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์แต่น้ํานี่เปรียบเสมือนกับบุญที่เรามีรักษาเราเอาไว้เหมือนก็จะถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนคนจะมาชกหน้าเราอย่างเงี้ยคนจะมาชกหน้าเราถ้าชกด้วยหมัดเปล่าๆเลยนี่เจ็บมากเอาใส่นวมันซะหน่อย ใส่นวมยังไม่พอแล้วคุณก็ยังเอามีหมอนมากั้นระหว่างหน้ากับกำปั้นด้วยนะมันก็จะเบาไปถามว่าคุณโดนช็อกไหมโดนแน่นอนอแต่อาจจะเบาอยู่เพราะมีตัวผ่อนแรงใช่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวผ่อนแรงเนี่แหละคือบุญกุศลที่เรามีทีนี้มันเป็นอย่างนี้หมอระพงบางทีมันมันมันก็ไม่ได้นะคือบางทีผลกรรมให้ผลเป็นทุกข์อยู่ยังไม่เสร็จนะผลการเจตนาบางอย่างที่เราทําไว้ในอดีต น่ยย่อมให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันนะเจตนาที่เราทําไวในอดีตบางอย่างให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะมันก็ยังจะต้องมีอยู่เรื่อยๆเราจะไปเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้กรรมเจตนาที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนี้นะที่เป็นสิ่งดีๆทําไมไม่ให้ผลสติทําไมไม่ให้ผลสถินี่ยตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีสติควบคุมจิตว่าฉันก็จะต้องทําดีต่อไปละสิ่งที่ควรละ นะเราก็ทำสิ่งที่ควรทำ ค, รคือบางคนเนี่ยพอพอเจอเรื่องร้ายๆในชีวิตก็ไม่สามารถประคองสติอยู่ได้นะก็ไปทำสิ่งที่ไม่ดีคบเพื่อนชั่วอันนี้พลาดเลยสติแตกเลยเพราะตอนนั้นมันอาจจะเป็นช่วงที่กรรมผลของกรรมที่ให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยยังให้ผลอยู่ยังครับยังให้ผลอยู่แล้วสิ่งที่ให้ผลเป็นสุขยังไม่ได้มาให้ให้ผลเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เลย จะไปกังวลว่าเออฉันจะทําไม่ได้นะไปหาเพื่อนชั่วทําผิดทําไม่ดีอันนี้พลาดเลยอืมเนึกท้อถอยไปเลยใช่ครับอันนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งออืแล้วก็จะต้องอย่าไปกังวลว่างั้นฉันทํานะฉันทําแล้วขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ถูกมันนี่ต้องเป็นทางสายกลางจริงๆของเราแล้วพงเ์นึกไหมใช่ครับถ้าสุดตรงข้างหนึ่งคือไม่ทําอะไรเลยไม่ทํำไม่ทำเดี๋ยวเสี่ยมเป็นคำเกล่าวช่างหัวมันอะไรต่างๆแต่สุดตรงอีกข้างนึงก็บอกว่าทำชี้ขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ไม่ใช่นแต่ต้องการคืออะไรทำอยู่ทาอะไรไม่ใช่ทําอะไรบ้าๆบอๆที่เขาทํากันไปนอนในโรงบ้างไปอาบน้ำอะไรต่างๆบ้างแต่เราทำอะไระคือทําตามมัคมีวิวงศ์แปดทําตามมัคมีวิวงแปดล้วเราก็ทําไปะมันจองมาเป็นยังไงเราก็รับตามนั้นครับอะรับนี่ก็จงพูดว่าบางคนอาจจะไปมีความคิดว่าเกิดมาใช้กรรมเกิดมารับไปอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกอีกครเพราะเราไม่ได้เกิดมาใช้กรรมหรือเปล่าเข้าใจไหม คือคือถ้าจะพูดคํานี้เนี่ยมันอาจจะทำเป็นบทพิจารณาบทพิจารณานี่ไม่ถูกนะเราจะต้องพูดว่าเรามันเกิดมาเนี่ยก็ทําความดีอืมเพราะว่าถ้าเราพูดว่าเกิดมาใช้กรรมนะคุณก็จะมีพวกที่เห็นไปอีกข้างหนึ่งงั้นฉันต้องไปทําตัวเองให้ลําบากอืมไปทรมานตัวเองมีอินเดียมีเยอะแยะใช่ไหมเอาเล็บประจิกที่มืออ่ไม่กินข้าวอดอาหารแรงต่างทรมานตัวเองให้เป็นให้ให้ให้ลําบากเพื่ออะไร ชดใช้กรรมไงฉันนำให้เดียเอาไว้นะขอให้มันออกผลตอนนี้แหละให้มันเต็มที่เลยนะแล้วก็จะได้จบจบกันทีถามๆนิดนึงว่าคุณรู้ไหมนะว่าที่มันซิ่งไปมันสิ้นเท่าไหร่ไม่ไม่รู้นะเอาแล้วที่ยเหลืออยู่เหลืออยู่เท่าไหร่รู้ไหมก็ไม่รู้ครับเอาแล้วทําอะไรมาที่ว่าทําไม่ดีทําอะไรมาก็ไม่รู้นะก็ไม่ทราบเหมือนกันเอาแล้วที่ดีๆนี่ทํายังไงเนี่ยทำดีๆตัวเองก็บอกไม่ได้นะครับเออเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไม่รู้ข้อมูลนี้อะถ้าถ้างั้นคุณไม่รู้แล้วคุณคุณทําอะไร อ, อ้าวหมืม่นลแล้<ค>นเนี่คนหนึ่งเข<ช>อย่างนั้นหมืน่นนะอ่ะอาทีนี้ถามว่าเอาแล้วทําความเปลี่ยนที่ทํายังไงเออก็จะมีสุดต่งอีกข้างหนึ่งอีกไปติดกับอีกข้างหนึ่งอีกบอกว่างั้นงั้นไม่ทําก็แล้วกันอา้าวถ้าไม่ทำนี่ก็ไม่ถูกอีกครับอา่างั้นถามว่าทํายังไงถูกต้องใช่ไหมเออตรงนี้พระพุทธเจ้าก็พูดถึงมรรคแปดถามว่าทํายังไงเอาเอากว้างกว้างก่อนกว้างกวงก่อนเออคือระบบระเบียบที่ถ้าใครบอกว่าจะมาทําตัวเองให้ลำบากเนี่ยอันนี้ไม่ถูก <น>วิธีทําความเพียรอิปุจ่าบัญญัติไว้3อย่างนะว่าทําความเพียรอย่างให้ได้ผลอย่างยากตัวอย่างเช่นสมมติตัวตัวเราเองนะพระไปบุญเกิดมีความคิดว่าโอ้ฉันแหมเมื่อ ก, ก่อนนี้ทําความชั่วมากเลยห <c oughs> มอรัตพงขอประกาศความผิดไว้ที่นี้ก็เลยงั้นเอางี้แล้วกันเลิกหมดทุกอย่างบายอยู่ปลาอย่างเดียวทำตัวเองให้ลําบากขอเล็งเล่นหเดือนเพื่อหวังว่าไอความชั่วความผิดอย่างนี้มันจะได้ชดใช้กันในสักทีถ้าอาตมาพูดอย่างนี้แล้วไปทําจริงๆนะอาตมาผิดเลยความคิดของอาตมาผิด ครับเพราะอะไรเพราะเราทําอย่างนั้นไม่ได้นะผลของกรรมที่จะให้ผลในอนาคตมาขอให้เป็นให้ผลในปัจจุบันด้วยความเพียรตรงนี้เราไม่สามารถทําให้เกิดได้อืมแต่แต่แต่เพราะฉะนั้นแต่ว่าอะไรแต่ว่าถ้าผื่อว่าเราไปทําความเพียรนะด้วยการละอกุศลทํากุศลให้ถึงพร้อมอันนี้ถูกต้องเราเป็นลีกเล้นทำได้ครับมันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงนี้ว่ากรณีที่หนึ่งนที่ว่าเอาไป อยู่หลีกเล่นไปทรามานตัวเองทําตัวเองให้ลําบากประปรายปเปียะเนี่ยคือมีคุณสมบัติสามอย่างนี้คือเอาทุกมาทับถมตัวเองที่ไม่มีทุกทับถมนะอสองนะสละความสุขที่เกิดได้โดยธรรมแล้วก็3ามเป็นผู้หมกมุ่นในความสุขนั้นถ้ามีสามอย่างนี้นะการทําความเพียร น, นั้นไม่ดีไม่เจริญนะครับใช่อย่างบางคนบอกว่ามาลีเล่นมาปฏิบัติธรรมทําไมอ่ะเธอไปทําไมลําบากประปรายโอ้โหมาใช้กรรมนะฉันก็ใช้ใช้ไปงั้นน่ะทำไปมันจะได้ดีขึ้น นี่คุณคิดไม่ถูกนะไม่ถูกครับไม่ถูกนะถูกไหมพ่อพงเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราทําอะไรผิดมาแล้วเราก็ไม่รู้ไอ้ที่คุณไปทําเนี่ยคุณจะได้ดีขึ้นมาเท่าไหร่ครับอ่าแล้วถามว่าคุณแล้วัวมาทําตัวเองให้ลําบากเป่าเปล่าพี่ๆทาไมอืมงั้นอย่ามาเลยทําไมงั้นนะครับเอาแล้วถามว่าแล้วถ้าจะมาที่จะมาไงถึงจะถูกต้องคิดยังไงถึงจะถูกต้องไปยังไงดีครับอ่าแล้วถามว่าที่คนเขาแห่กันมานั่งสมาธินี่มันผิดกันหมดเลยหรออันนี้ไม่แน่ คือไม่แน่เนี่ยหมายความว่าคนที่ไปคิดอย่างถูกก็มีคนที่ไปคิดอย่างผิดก็มี <ś led> คนที่ไปคิดอย่างถูกเขาคิดยังไงคือหนึ่งเขาไม่เอาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีทุกข์ทับถ ม, ห ม, มหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าตัวเองมีทุกข์ไม่มีทุกข์อยู่แล้วเนี่ยก็อย่าไปหาเรื่องที่มันจะต้องมาทําให้ตัวเองทุกข์เช่น <Nice. S 2> อย่างพระพุทธเจ้าของเรานะตอนที่เป็นบริษัทอยู่นทําผิดพลาดมาอย่างหนึ่งก็คือว่าอก็มีกินดีอยู่ดีนะ แล้วไปหาความทุกข์ใส่ตัวอันนี้คือเอาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีทุกข์ทับถมครับนี่นี่คือที่จะไม่ถูกอืมทีนี้เอาแล้วถามว่าแล้วทําความเพียรไม่ควรไปอยู่ป่าหรอไม่ควรจะไปอยู่เนสนาสนะสงัดหรออ่ามันจะทําให้มีประเด็นตรงนี้แง่งอกขึ้นมาไงคือฉันฉันอย่างหมอรัวงอยู่บ้านสบายๆนอนนอนแอร์เย็นๆเตียง น, ยนุ่มๆใช่ไหมครับแล้วแล้วหมอรัตนงจะมานอนเสือแข็งแข็งมาอยู่ไม่มีแอร์อ่ากินอาหารมื้อเดียวมันลําบากนะเนี่ย หาความทุกข์มารับถมตัวเองหรือเปล่าอืมครับแล้วจะตอบคําถามนี้ยังไงอำตอบก็คือคำตอบเป็นือละกิเลสคุณจ้าบอกว่าถ้าอยู่ในเสนาสนะใดแล้วเนี่ยนะ่ถ้าอกุศลมันเจริญกุศลธรรมมันเสื่อมอันนี้คุณรีเพนแต่เมื่อวันอยู่บ้านคุณนอนเตียงนุ่มๆนอนห้องแอร์อาหารเลิศหรูห้ามื้อสี่มื้อเฮ้ยมันจิตมันเริ่มขี้เกียจมันมึนตึงมันเป็นเฉยๆมันเป็นบ้าบอลแล้ <C AP> เห็นเลย <C AP> เพนอย่าไปอยู่ในที่สบายนั้นเลยครับ <C AP> แต่ถ้าอยู่ในเสนาสนะใดนะอยู่ในที่ลําบากแล้วเนี่ยถ้ากุศลธรรมมันเสื่อมกุศลธรรมเกิดขึ้นให้อยู่ <C AP> ที่นั้นอันนี้ถึงจะถูกเ <C AP> ข้าใจไหมเราจะเรียกว่าทําความเพียรอย่างได้ผล <C AP> อันนี้คืข้อที่หนึ่งนะครับอืมอืมข้อที่สองนี้กําลังแยกความแตกต่างมันมีสามประเด็นนะตรงนี้ข้อที่หเอาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะมรพง์คือไม่เอาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีทุกข์ทับถม คุณอยู่บ้านสบายอยู่แล้วกุอยู่ไปเลยเอาเงี้ยมนหลีกเล่นทำไมางั้นไม่ต้องไปหลีกเล่นเอามันต้องมาพิจารณาประเด็นที่2ว่าถ้าผูว่าอยู่บ้านสบายสบายแล้วกุศลเกิดกุศลเสื่อมคุณรีบเพนเลยมาอยู่ลําบากซะครับเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยที่ทําให้คุณมาอยู่ลําบากเนี่ยชื่อว่าเหมือนกับว่าคล้ายๆมาหาทุกมาทําหนุนตัวเองเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนแปลงผลของกรรมที่อย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอย่างใดยอย่างหนึ่งนะไม่ใช่แต่เพื่อทํากุศลธรรมไม่เกิดขึ้นนะฮะนี่คือข้อที่1 น, นะ หมอรัตพงเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจครับหมอรัตพง์เข้าใจอยู่แล้วล่ะอ่าต่อไปข้อที่สองก็คือไม่สละความสุขที่เกิดโดยธรรมไม่สละความสุขที่เกิดโดยธรรมใช่โอเคเช่นอะไรบ้างอ่าคุณเงินเดือนหลายแสนใช่ไหมอ่าเอ่งั้นก็ไม่เอาละกันยกเลิกละทิ้งหมดอย่างผู้จ้าของเราออกบวชเป็นต้นนะพวกนิกรณละสมบัติเสื้อผ้าเขามาให้ก็ไม่เอาอย่างนี้ทนอยู่หนาวหนานะสละความสุขที่เกิดโดยธรรม อันนี้ไม่ถูกต้อง mm hmm. นะสละไปทําไมอ่ะสละเพื่อหวังว่าขอกรรมที่ให้ผลน้อยเนี่ยเป็นให้ผลมากหรือขอกรรมที่ไม่ให้ผลเป็นขอให้เป็นขอให้ผลนะเพื่อทํ า, าทความเพียรนี้ให้เกิดขึ้นคุณทําไม่ได้อันนี้แสดงว่าความเพียรงคุณเนี่ยไร้สาระอื mm hmm. แต่ถ้าคุณนะไม่สละความสุขที่เกิดโดยธรรมเช่นอะไรคุณมีเงินใช่ไหมงัน ค, คุณก็ก็ใช้เงินก็ได้โดยธรรมนะเงินนี้ได้มาจากไหนนะเป็นความเพียรมาด้วย เป็นโฟกัสซับที่ได้มาด้วยความเพียรเป็นเรื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกําลังแขนตัวชุ่มเด้วยเหงื่อเอาเป็นโฟกัสซับที่ได้มาโดยทํามนี่คุณก็ใช้ได้นะไม่สละตรงนี้ออกอประเด็นก็คือว่าถ้าคุณไม่สละออกแล้วคุณรุ่มหลงไหมพระเจ้าจึงเพิ่มข้อที่สมาว่าเป็นผู้ไม่หมกมุ่นในความสุขนั้นอ๋ออ๋ออย่างนี้เพราะถ้าจะมีคใครมาโจทย์พระองค์ไดเ อ, อีกหนึ่งสมมติอยู่ในเมืองเนี้ยอยู่ว่าบบวานเป็นต้น ว่าบ่อนี้รับสกสาระเยอะแ ย, ยะหมดเลยเอ อ, อยู่สบายใกล้เมืองอะไรต่างมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างเฮ้ยพระ อ, องค์นี้ไม่ดีพูดงี้ไม่ได้เนะเพราะถามว่าไอ้สิ่งที่อำนวยความสะดกที่ท่านมีเนี่ยเป็นความสุขของท่านเนี่ยได้มาโดยทํามไหมถ้าสมมุติว่าโกงมาไม่ดีมาอันนี้ก็เป็นศีลที่ต้องท่านต้องด่างพลอยไปแต่ท่านได้มาโดยทําแล้วอันนี้โอเคไม่มีปัญหาแต่ข้อที่สามต้องระวังว่าอย่าไปหมกมุ่นในความสุขนั้น อย่าไปยึดติดตรงนั้นใช่ตรงนี้แหละคือประเด็นที่ว่าถ้าบอกว่าเราได้ความสุขเสียอย่างใดอย่างหนึ่งมาเช่นนอนเตียงนุ่มๆมีเงินมากๆนอนห้องแอร์กินอาหารสิ็ดแปดมื้อนะเราไปหมกมุ่นในความสุขนั้นนี่แหละกุศลธรรมเริ่มเสื่อมอกุศลธรรมเริ่มเกิดขึ้นอืเพราะเป็นอย่างนี้แล้วแสดงว่าคุณไม่ได้ทําความเพียรล้วคุณคุณแย่ละคุณแย่ล้วอ่าเริ่มเริ่มเรื่อยู่ในกรรมสุขาิีการนิยมยศล่ะ แต่นในึงอ่าในขณะเดียวกันถ้าสุดโตยข้างหนึ่งนนดดก็งงคือว่าเอ้ยความสุขอะไรไม่เอาหมดเลยตัดทิ้งนะหาความทุกข์มาใส่ตัวใส่หัวเพื่อหวังว่าอะไรหวังว่าไอจะได้แก้กรรมนะหวังว่าจะได้นนะไอที่ อ, อมันไม่ดีไม่ดีนี่จะได้ดีขึ้นนะเออก็ตอนที่คุณทําความเพียรคุณก็ได้ไม่ดีตอนที่คุณหยุดทําความเพียรคุณก็ได้ดีเอ๊ะเรื่องนี้ถามว่าใครทํากันแน่มันมันก็งงๆกั น, <laughs> <ค>นเข<อ>าจะสมัยก่อนนะ่ะที่เขาเห็นไม่ถูกต้องพอพระเจ้าถามประเด็นนี้แล้วก็ เลยเข้าใจว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยถือเอาความที่สิ่งต่างๆมาเป็นสาระสาคัญนะถือเอาสิ่งอื่นมาเป็นสาระสาคัญเช่นนั่นคือพวกนี้พวกแสวงหาภายนอกมาลุงแสวงหาภายนอกเช่นว่าเาทพเจ้าพวกเขาถือผีพวกพระเจ้ า, า, ารงต่างพวกนี้มาเป็นสาระสาคัญในการทําในการปฏิบัติถ้าคุณถือเอาสิ่งนั้นเป็นสาระสาคัญแล้วแล้วคุณไม่ระวังสิ่งที่ควรระวังไม่ทําสิ่งที่ควรทําม่เป็นไม่มีประโยชน์เลยที่จะพูดกันเลยเป็นพวกไม่มีสติ ในขณะเดียวกันเราจะต้องวัดมีเบนชมาร์กในการวัดเงี้ยมารถโฟนเบนชมาร์กในที่นี้ก็คือว่าการกระทําที่เป็นไปตามกุศลอกุศลก็พูดง่ายอารยธรรมมวยของแปดถูกไหคุณเอามาร์8เนี่ยเป็นตัววัดแต่ว่าถ้าคุณทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความเพียรอะไรแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในระบบของมาร์นะจิตของคุณเป็นลักษณะที่ว่าเอากุศลอกุศลเป็นเกณฑ์นะไม่ใช่ขอหรือไม่ใช่ลุ่มหลงไปในทางทําตัวให้ลำบากไม่ใช่ ไม่ใช่ลุ่มหลวงไปในทางเสพการเต็มที่นะการมัสสุการิกนิโยกหรือว่าในการลีกออกหมดเลยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็เป็นอัตากิลาธรานุโยกนะแต่เป็นการที่เอากุศลธรรมเป็นหลักตรงนี้นะนะีกุศลธรรมก็มีลักษณะการวัดอยู่ถูกต้องแล้วสิบอย่างอืมใช่ครับ<ม>ข้อวัดชัดเจนครับเนาะใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นในในเรื่องของกรรมนี่เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ย ไม่ได้เอาสาระสาคัญในเรื่องของการกำกับดูด้วยไม่ได้สนใจสาระสาคัญในเรื่องของผู้อื่นบันดาลให้ไม่ได้สนใจสาระสาคัญในเรื่องของอยู่อมันก็เกิดขึ้นเองสาระสาคัญคือสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลสาร ะ, mm hmm. Lan, ะสาคัญคือสิ่ง ท, nice. ที่เป็นอะโรอะโลพาอะโทซาอะโมหะสิ่งที่กุลละครับใช่อืมแล้วพอพอตรงนี้เป็นสาระสาคัญแล Favor, ้วเนี่ยเราจึงทําสิ่งนั้นๆแล้วพอไอ้จังหวะที่ทําเนี่ยถ้าคุณจะมาเที่ยวขอ ให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างง้นอันนี้ยังไม่ถูกต้องครับอ่ามันก็เป็นไปตามระบบของเขาครับอ่าอย่างตอนนี้การแก้กรรมแก้กรรมนี่โหมีเผยแพร่ในสังคมเนี่ยเราควรจะวางความคิดนี้ยังไงครับท่าน <Tages S 2> ก็อย<ก>่างที่บอก ง, งี้นะถ้าแก้กรรมด้วยระบบที่พระเจ้าบอกคือตามตามอรยิยมิลกปครับนะคือแก้กรรมอย่างที่เขาทํากันเนี่ยอย่างเช่นว่าในสมัอยอินเดียเขาก็มีนะมรดกเขาเอา คนไปอาบน้ําในแม่น้ำคงคาหลายๆรอบขัดซีชุวิวันต่างๆสมัยปัจจุบันก็มีลงไปในโรงคลุมผ้าอะไรต่างๆสมยัยปุ๊บๆส่ว น, น, ว น, นต่างๆก็เป็นแค่ทําภายนอกครับพอพอนางพราหมณีที่ได้พูดถึงเรื่องการล้างกรรมการล้างตัวเองให้สะอาดเนี่ยก็เป็นกา ร, ครแค่ล้างภายนอกเนี่ยพอพูดถึงพระทธเจ้าพูดถึงอริยมรรคมีองค์แเนี่ยก็ยังยกย่องสมมาสมาพุทธเจ้าว่าโโหนี่มันไม่ใช่แค่ล้างภายนอกมันล้างภายในด้วยเนี่ย แต่เพราะนั้นอไอ้กรรมเนี่ยมันอยู่ในใจของเรารกรรมเนี่ย ค, คือเจตนาเนี่ยมันอยู่ในใจของเรามาจากข้างไหนแต่เพราะนั้นเราต้องล้างข้างหนเครื่องล้างเครื่องขุดกล่าวเครื่องสํารอกสิ่งไม่ดีออกมันคืออริยามามีองแปดทั้งสิ้นเลยครับออืมทีนี้มันเหมือนกับงั้นงั้นมันมันก็จะเหมือนกับคนที่เป็นเหมือนกับหุ่นยนต์นะมารล้วพงศ์อะไรสุขทุกข์คุณไม่สนใจอะไรเลยเราชั้นตามมักแปดอย่างเดียวจะพูดอย่างนี้ก็ว่าได้ ครับไม่ไม่กระทบกระเทือนต่อสิ่งเรียกว่าที่มากระตุ้นกระชายใช่เหมือนว่าเป็นหุ่นยนต์เลยว่างั้นเถอะใครจะด่าว่าไงอใครจะด่าว่าไงฉันก็ทําตามมักแปดเออใครจะว่าไงฉันก็ทําตามมากแปดอย่างเงี้ยนะทีนี้อย่างที่หมอเล่าพงว่ามันเหมือนหุ่นยนต์ทื่อๆแบบว่าเดินแข็งๆท่านก็จะไม่เป็นธรรมชาติไงก็จะไม่เป็นธรรมชาติไงมันก็จะ เขาเรียกว่ามิกเซอร์ของส่วนผสมยังไม่เข้ากันดีคุณรู้รอยู่ว่าต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างอันนี้ต้องมีอันนี้ต้องมีอันนั้ต น, น, นต้องมีอันนอนใช่ไหมแต่บางทีมันผสมกันไม่เข้ามันก็มีแข็งบ้างเกรงบ้างเกินไปบ้างน้อยไปบ้างอย่างนี้เรายัางเห็นอย่างคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วมันแข็งแข็งอยู่ที่แบบว่าตึงๆอยู่ก็จะมีอยู่คือ ค, คือมีเนี่ยมันดีนะ ม, มรพงศ์ทีนี้ว่ามากน้อยเราก็ค่อยๆปรับเอาส่วนผสมเราก็ค่อยๆปรับเอา นะตีให้มันเข้ากันทำให้มันสม่าเสมอทาให้มันเนื้อเดียวกันทำบริกรรมในสิ่งนั้นพระชาใช้คำว่าบริกรรมบริกรรมบริกรรมมั่งนะแปลว่าคือทำอย่างให้มันสมบูรณ์เข้าเป็นเนื้อเดียวกันกในกรรมเพราะฉะนั้นไอการทำตามกรรมตรงนีนะ้เราก็แค่ทำไปทาไปเหมือนหุ่นยนต์แต่ให้ทำเป็นอย่างเป็นธรรมชาติอย่าไป ทําความเพียนชนิดที่ถูกต้องใ ห, ให้ทําความเพียนชนิดที่ถูกต้องนะตรงนี้เน้นอีกนิดหนึง่งพระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเอาลูกศรเนี่ยที่มันโกงมันงอเนี่ยมันโค้งเนี่ยต้องมาดัดนะดัดด้วยการลนความร้อนจุ่มน้ําแล้วก็ดัดลนความร้อนจุ่มน้ําแล้วก็ใช้แรงอัดเข้าไปนะมันก็จะตรงขึ้นมาได้ทีนี้พอเราตรงแล้วสมมติคนที่มาเหล็กเลนปฏิบัติธรรมเนี่ยครับโอ้ยู่บ้านมันฟุ้งเฟ้อเหอเหิมจิตใจมันบ้าบออไปเล็กเลนด้วยการที่เรา อรียกว่าไม่สละความสุขที่เกิดโดยธรรมแหละแล้วก็ไม่เอาทุกประทับสนตัวเองแต่เรารู้รแล้วว่าไอเราอยู่อย่างนี้มันมันกุศลนามันเกิดกุศลนามันเสื่อมไปไว้งั้นเราไปอยู่ในที่ลําบากดีกว่านะ <ừ> เราไปอยู่ในที่ลําบากลักษณะนี้เพราะจิตของเราดีขึ้นมาแล้วแเรากลับมาบ้านแล้วดีแล้วแล้วดีดีแล้ ว, ลลวอันนี้ดีแล้วนะคุณไม่จาเป็นต้องสละความสุขที่เกิดโดยธรรมนั้นแต่ว่าอย่าไปลุ่มหลงหมกงุ้น ม, ม, มัวเมาในความสุขนั้นนะ S <S อเอาคือคนแหม อ, ออกม า, าจากคอสซิเลน์ใหม่ๆนะหมอธนพงศ ม, มันสบายอยู่แล้วนะกินข้าวมื้อเดียวก็ยังได้อยู่ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมแต่พออยู่ไปอยู่ไปอาทิตย์1นสองอาทิตย์เดือนหนึ่งสองเดือนมันเริ่มเป๋มันเริ่มเปจริงครับมันเป๋ไปอีกแล้วใช่ไหมแสดงว่าธนูนี่มันก็เอียงไปอีกแล้วงอไปอีกแล้วแล้วก็ต้องมาดัดไม้อีกอย่างเงี้ย ที่มันเป๋ไปงอไปเนี่ยก็เพราะกำลังภัสสะที่มันมาจากทุกทิฏฐามันก็เป๋ไปงอไปเป็นแน่นอนัอันนี้ก็เป็นเหตุของกรรมด้วยนะหมายความว่าพระเจ้าเคยพูดถึงภัสสะเนี่ยด้วยความเป็นเหตุของกรรมตัวผัสสอ่าเป็นภาษาะนี่เป็นเหตุของเจตนาพูดง่ายๆแล้วพอมีภาษาแล้วเราจะมีเจตนาเกิดขึ้นประเด็นถ้าเราตั้งเจตนาตรงนี้เราคุมไม่ได้เจตนาชั้นดีตลอดใครจะด่าว่าอย่างไงฉันก็ยิ้มสบายอดทนมีเมตตาอุเบกขา และแสดงว่าคุณจะสามารถคุมภาษาคุณได้นาปลว่าคุมเจตนาได้นะภาษาที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราคุมเจตนาได้รตรงนี้คือการสำรวจมินรีตรงนี้คือการมีสติตรงนี้คือการที่รู้จักรักษาจิตอืมมีข้อธรรมอยู่เยอะแยะเลยนะครับโอ้แน่นอ น, นเลยเหมอครับผมครั บ, มรบผมมีมีนึกนึกถึงว่าไอ้การการที่กรรมแสดงผลเนี่ยผมนึกถึงการสมมติปลูกปลูกต้นมะม่วงนะครับเสร็จตอนว่า สมมุติว่าเราปลูกแล้วก็เราก็ให้น้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยนะครับใช่ใชเราให้อย่างดีเลยปุ๋ยดีที่สุดน้ําดีที่สุดแต่เราจะขอว่าเอา้าวสามเดือนออกลูกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มนไครับใช่ครั บ, รบมันจะต้องใช้เวลาสามปีอย่างเงี้ยซึ่งพอถึงจุดที่มันจะต้องออกมันก็จะออกลูกออกมาจามเหตุปัจจัยที่เราสร้างใช่ไหมครับใช่ใชเออถึงตอนมันจะออกเราบอกเราอย่าอย่าเพิ่งออกได้ไหมตอนนี้มะม่วงมีเยอะอก็ไม่ได้ครอ่าก็ไม่ได้อีก ครูยอาก็เคยยกตัวอย่างนี้กันทีนี้อบางคนไปปลูกต้นมะม่วงนะครับแต่ว่าต้องการมะม่วงเนี่ยนั้นไปปลูกปลูกต้นสะียวอ้าวเอาพลาดเลยพลาดเลยไงเพราะฉะไอ้ที่คุณพรวนน้ำเออพรวนดินรดน้ำรดน้ำเสียเวลาคอยประคบประงมมันจะทุกอย่างทุกเม็ดทุกอนุนที่มันดูดขึ้นไปเนี่ยเพื่อความคงของลูกสเาครับเพื่อกิ่งก้านรากใบมันขมหมดเสตียวเนี่ยนะ ใช่ครับพเพราะนั้นเราถามว่าคุณปลูกถูกต้นไหมโอ้ปลูกถูกต้นไหมถ้าปลูกถูกต้นนะก็ต้องตระวังอีกว่าปลูกให้มันตามระบบนะอย่าไปเร่งเขาครับอ่าวันนี้เราพูดถึงสองประเด็นนี้เลยนะคือทั้งที่ปลูกถูกต้นและปลูกไม่ถูกต้นปลูกถูกต้นแล้วอก็ต้องพูดถึงว่าคุณระบบเวลาคุณเป็นยังไงด้วยครับนะนี่เปรียบเทียบให้ให้ดูสองอย่างนี้อืมประเด็นนี้แม่ สำคัญนะครับปลูกปลูกผิดต้นนี่ก็ไปอีกทางไปอีกทางหนึ่งเลยแล้วก็จะหวังว่าให้มันเป็นมะม่วงนี่คนจะเเรื่องเดียวกันเลยล่ะครับครับเนาะอันนี้ก็คือพูดถึงสุดตรงสองข้างกลับครับครับทั้นครั บ, รบเรื่องอโหสิกรรมมีติดนิดนึงว่ า, าสมมติในคู่กรณีเนี่ยสมมติว่าโอเคอย่างเรื่องเรื่องของคู่กรณีเราเนี่ยอ่าไม่ไม่อโหสิกรรมให้ สมมติเขาไม่ยกโทษให้เราเดินชนเขาโดยไม่เจตนาเราบอกขอขอโทษครับอแสดงแสดงอาการยอมรับผิดตรงนี้ในในเคสนี้นะในเคสนี้สมมุติเราเดินชนเขาโดยไม่เจตนามีภาษาไหมมีนะมีครับมีกิริยาไหมมีนะมีครับแต่ว่าเจตนาไม่มีนะใช่ครับแสดงว่าผลของเจตนาของเราเนี่ยจะไม่มีนะครับือคือเราไม่มีเจตนาเดินชนเขาใช่ไหมแต่กิริยาคือชนกันได้เกิดขึ้นนะ แสดงว่าผลของกิริยานั้นเนี่ยผลของการกระทํานั้นเนี่ยจะเป็นอโหสิกรรมเพราะเจตนาไม่มีครับโอเคนะทีนี้แต่มีการกระทําเกิดขึ้นนะพอมีการกระทําเกิดขึ้นแล้วอันนี้เป็นภาษาของบุคคลที่ถูกชนครนะอันนี้ช็อตที่สองนะพอเป็นภาษาของบุคคลที่ถูกชนปุ๊บเนี่ยเขาไม่พอใจละพอเขาไม่พอใจปุ๊บนะจิตเขาเป็นอะไรอกุศลนะจะมีมิจฉาสังกปะเป็นต้นพอจิตเขาเป็นมิจฉาสังคปะงั้นเราก็ ด้วยเจตนาดีของเราเราก็ว อ, อุ้ยขอโทษนะขอโทษขออโหสิกรรมด้วยนะเราพูดไปอย่างนี้ก็คือว่าเอเอเราเห็นความผิดของเรานะความผิดนี้แม้เพียงเล็กน้อยเราก็สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทนี้ด้วยการคิดว่าเราจะทำใหม่ซะคอยระวังมากขึ้นอย่างนี้นะครั บ, รบปรากฏว่าเขาไม่ให้ไม่ยกโทษให้ไม่อโหสิกรรมให้นะคือการไม่อโหสิกรรมให้คือการผูกโกรธไงการไม่ยกโทษให้สมมุติอาตมาไปขอโทษแล้วทุก ค, คนคนอื่นไม่ยกโทษให้เขาผูกโกรกับเรา ครับ <adapt. S 2> เขาผูกโกรธกับเราแต่เราเนี่ยเราก็ถูกชนนะเพราะเราเป็นคนชนถูกไหมเราก็ถูกชนถูกไหมล่ะใช่ครับ <นะ S 1> แต่ว่าเราไม่ได้ผูกโกรธอ่ะสมมุติรถสองคนรถสองคันชนกันหรอท่าพงศ์ครับ ok. ไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายผิดนะอ่ะสมมุติเรายกเรื่องถูกผิดไว้ก่อนเลยนะแต่สองคนสองคันเนี่ยมันถูกขวนเหมือนกันเลยนะเสียหายทั้งคู่เสียหายทั้งคู่ถามว่าอาสมมุติว่าไม่รู้เลยนะอยู่ๆคนอื่นมาดูเนี่ยถ้าเรามาดูจากเหตุการณ์เฉพาะที่ คนทั้งสองคนเนี่ยคนจะต้องเสียใจเหมือนกันนะเพราะว่ารถมันมันแย่ไปตามๆกันใช่ครับถูกไหมแต่คนหนึ่งกลับเสียใจอีกคนหนึ่งกับขอโทษ เ, เสียใจนี่หมายถึงว่ามีภาสสะที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นนะทั้งสอง ค, คนจะมีภาสสะที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นเพราะว่าของรักของเราคือรถยนต์เนี่ยถูกชนแล้วถูกไหมแม้ว่าใครจะผิดถูกก็ตามนะแต่คนที่เป็นต้นเหตุเนี่ยจะรู้สึกอขอโทษ แต่คนที่เป็นลูกเหตุเนี่ยคือหมายว่าได้รับผลเนี่ยเขาจะรู้สึกโกรธแค้นอืมต้ั้งถูกกระทําใช่ทั้งๆที่ทั้งๆที่รถก็ขวรญโดนขวัเหมือนกันนะประหลาดไหมอันนี้หมอทัศนพงศ์เข้าใจไ่าผมไม่รู้เข้าใจครับเข้าใจอยู่นะเข้าใจครับแต่ทํำไมคนแรกคนที่เป็นต้นเหตุเนี่ยมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคนที่เป็นถูกชนเนี่ยมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งอืนะตรงนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าความผูกโกรธไงความผูกโกรธมันเกิดขึ้นกับคนที่ถูกกระทําครับแต่ว่าความขอโทษเนี่ย ความที่ขออภยัยความที่จะตั้งใจทําใหม่เนี่ยเกิดกับคนที่เป็นต้นเหตุครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าทําให้คนที่เป็นต้นเหตุเนี่ยรู้สึกเบาวกว่าเพราะว่าเขาทําจริงแต่ว่าเขาขอโทษแล้วนะเขาก็จะตั้งใจทําใหม่แล้วแล้วถาว่ารถเขาไม่เสียแล้วเขาก็เสียเหมือนกันไอ้ฝ่ายผิดเนี่ยก็เสียเหมือนกันแต่เขายังใจสบายกว่าฝ่ายที่ผูกโกรธคือฝ่ายที่สองที่ตัวเองไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่ๆมาถูกชนรถเกาเสียเหมือนกันน่ะ ไม่ใช่ว่ารถเขาไม่เสียนะรถเขาไอคนชนเราก็เสียเหมือนกันนะแต่เรามีจิตผูกโกรธทําให้เราเราไม่สบายใจอืเพราะฉะนั้นอะกุศลมากกว่าอมากกว่าน้อยกว่าก็อยู่ที่ความเข้มข้นนะจจะเป็นมากกว่าก็ได้ก็เป็นไปได้อ่าทีนี้ว่าพอเป็นอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นอ่าถามว่าตรงนี้มันบทเพียงชนะันไม่ถูกไงไม่ใช่เขาไม่ยกโทษให้เรานะครับเขายังผูกโกรธอยู่อพูดใหม่ผููใหม่ คือเขาไม่ยกโทษให้เร า, าถูกแล้วแต่เขาไม่การอาโหสิกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่เขาจะอนุญาตหรือจะไม่ไอนุญาตอืมอการอาโหสิกรรมไม่ได้อยู่ที่บุคคลที่เราไปกระทําเขาเนี่ยจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตอาโหสิกรรมเนี่ยเป็นผลของกรรมที่เกิดขึ้นตามระบบของมันเช่นเช่นพระองค์กุลิมานถ้าคนมาเป็นพันๆคนนะอืมใช่ครับเอาที่นับเนี่ยมีเก้ารอยเก้าสิบเก้าไอ้ที่ก่อน <okay. S 1> ที่จะนับเนี่ยมีอีกหลายลเพราะฉะนั้นมันเกินพันแล้วอ๋อครับ แล้วทีนี้ถ้าคนมาเป็ น, ปนพันๆเนี่ยแลต้องได้ผลไหมแน่<ด>นอนไ ม, ไม่ไม่มีทางพลาดเลยแน่นอนถามว่าเอา้าแต่ว่าพอพระ อ, องค์ุลิมาได้รับ เ, เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยทั้งหมดผลกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดจากวินาทีที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยทั้งหมดผลกรรมทั้งหมดเลยนะจะเป็นโอโหสิกรรมอืนี่นี่คือสำหรับพระอรหันต์นะครับร<า>เพราะว่าเพราะว่าจิตมันดับไปแล้ว จิตมันดับไปแล้วจิ ต, จตก็จะไม่ไปรับรู้ภาษาอะไรต่างๆอีกถ้าไม่มีภาษาก็ไม่มีกรรมครับถูกไหมพ้นของกรรมจึงไม่สามารถให้ผลได้แต่ถามว่าท่านต้องรับไหมท่านโดนกระแทกหัวโดนเขาด่าว่าก็เพราะว่าไอ้กรรมพวกนั้นนะเพราะว่ากรรมพวกนั้นแต่จิตของท่านไม่เป็นมิมีไม่มีปัญหาถ้าจิตไม่มีปัญหาก็ชื่อว่าไม่มีกรรมรก็คือเป็นอโหสิกรรม จิตท่านหลุดออกจากวงจรงใช่<อ>ใช่ใชทําให้ตรงเนี้ยเป็นอโหาสิกรรมแต่ตัวท่านยังถูกดา่าท่าอะไรก็มีบ้างอันนี้ก็ก็โดนอยู่แต่ตรงที่โดนนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่ากรรมเนี่ยไม่ถูกเพราะว่ามันไม่มีภาษาแล้วสาหรับพระอรหันต์ก็จะต้องเรียกว่าอโหาสิกรรมอย่างในกรณีอย่างเนี้ยอันนี้ชื่อว่าอโหาสิกรรมจริงครับแต่นี้อโหาสิกรรมเนี่ยจะไม่ได้ว่าอยู่ที่ว่าบุคนคลอื่นเขายกโทษให้อันนี้ไม่เกี่ยวคนละเรื่องกันยกโทษก็ส่วนยกโทษให้อภัยก็ส่วนให้อภัย ยกโทษให้อาภัยนี้อันเดียวกันนะอการไม่ยกโทษให้อภัยไม่ผูกโกรธอันนี้อันเดียวกันยกโทษให้อภัยไม่ผูกโกรดอันนี้อันเดียวกันส่วนที่ไม่เหมือนกันคืออโหสิกรรมอโหสิกรรมนี้เป็นศัพท์ที่มันก็เป็นไปตามระบบของเขาครับขอจะขอว่าไอ้ที่มันให้ผลอย่าให้เป็นไม่ให้ผลคุณขอไม่ได้นะคนะคุณต้องเป็น<ต>พระอรหันต์พระอรหันต์ก็ไม่ใช่ของขอเอาอยู่ดีแน่นอนล่ะครถูกไหมจริงครับใช่ครับ อ, อเพราะนั้นแย ก, แยกคำสัมให้ถูกนิดนึงนะ อ, ะอะโศกสีนะก็ส่วนหนึ่งนะเป็นระบบของกรรมเขาเป็นการให้ผลเป็นระบบของการให้ผลการขอโทษการให้อภัยการผูกโกรธนะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนี่เป็นเรื่องของกรรมอย่างอยู่ในระบบของกรรมอยู่กลับยังยังมีการกระทํา ม, มีการอะไรกันอยู่ครับอแล้วอย่างนี้คํากล่าวที่ว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมีความยุติธรรมเป๊ะเลยอันนี้ท่านผท้ทผเช่าตรัสว่าอย่างนี้ ผู้รู้ชอบบอกว่าโลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมูสัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมนี่หมายถึงเจตนานะสัตว์ทั้งหลายมีเจตนาเป็นเครื่องริงรัตเหมือนลิ่มสลักที่ขันยึดรถที่กําลังเล่นไปอยู่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีเจตนาเป็นของตนเป็นทายาทแห่งเจตนามีเจตนาเป็นกําเนิดมีเจตนาเป็นเป่าพันมีเจตนาเป็นที่พึ่งอาศัยกระทาเจตนาใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้รับผลของเจตนานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่เจตนาของเราทั้งสิ้นเลย กรรมเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้ผลแยกสัตว์ให้ซามหรือประณีตนะมีวันน่าดีวันน่าเลวอันนี้เป็นเรื่องของเจตนาทางนั้นคนจะเป็นเป็นพราหมณ์เป็นกษัตริย์เป็นพ่อค้าเป็นนายกอะไรก็เพราะเจตนาเป็นเพราะกรรมตรงนี้ครับเนาะกรรมตรงเนี้ย่ามันมันเป็นตัวกําหนดชีวิตของเราครับตัวกําหนดชีวิตของเราคุณจะเรียนเก่งเลขคุณจะเรียนเป็นหมอเป็นอะไรอยู่ที่ตรงนี้หมดอืเป็นอยู่ที่เจตนาตรงนี้หมด อย่างเช่นว่าอะเราดูก็ได้นะพ่อเป็นหมอแม่เป็นหมอลูกออกมาเป็นดาวซินโดรมก็มีคิดว่าเป็นทายาทนะโอ้พ่อเป็นหมอรุ่นหมอลูกต้องออกมาเก่งแต่จริงๆไม่ใช่อะมันก็แสดงว่าแสดงว่าไอ้ตรงนี้ไม่ได้เป็นทายาทนะเราเป็นทายาทของกรรมนะฉันเก่งเลขนะพ่อเป็นอพ่อเป็นอะไรชาวนาแม่เป็นแม่ค้าตัวอย่างมาเป็นหมอเป็นวิศวะเก่งเลขก็มีแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ที่กรรมพันธุ์ตรงนี้ ใช่ครับเราไม่ได้มีกรรมพันธุ์ตรงนี้แต่เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์อยู่ที่ตรงนั้นคุณคนคนชอบนี่คุณชอบเลขคุณชอบคณิตศาสตร์คุณเรียนวิทยาศาสตร์คุณเป็นหมอได้ก็เพราะว่าคุณมีเจตนาตรงนี้คุณเห็นคุณทําแล้วคุณชอบแล้วชอบตรงนี้คืออะไรเจตนาคุณเจตนาคุณก็เรียนไปได้คุณก็เป็นได้อย่างที่คุณต้องการพ่อแม่จะเป็นอะไรก็เรื่องของพ่อแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็มีที่กรรมเป็นเผ่าพันธุ์นี่เองมีกรรมเป็นกําเนิดเนยอยู่ที่เจตนาของเรานะคนที่อยู่ แบบเป็นพ่อแม่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ลูกออกมาเป็นหัวขโมยก็มีนะเป็นประหลัดเป็นอะไรต่างๆเป็นนายพลลูกมาเป็นหัวขโมยก็มีนะหรือว่าพ่อแม่อยู่ในสลัมลูกมาโอ้เป็นนายกรัฐมนตรีเราก็เห็นเห็นอยู่อืมนะก็มีครับนะเพราะฉะนั้นมันมันไม่ใช่ว่ามีกําเนิดเป็นพ่อเป็นแม่อะไรแต่มีกรรมเป็นกําเนิดอืมครับอืมตรงนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยกรรมเนี่ยเราเป็นตัวตัวกําหนดนะที่จะให้เราดีไม่ดีนะทําไปอยู่ได้ไม่ได้ แนเรื่องเรียนหนังสือนี่ง่ายๆมากหมอเรื่องงง<ร>คนที่คนที่เรียนอย่สมมติเรียนภาษาอังกฤษยังไงสมัสาายสมัยก่อนมาเรียนภาษาอังกฤษนี่งงไปเลยโอพูดอะไรวะไม่เห็นเข้าใจเลยทําไม<ร>ออกเสียง<ร>อย่า ง, ง<ร>นี้เนี่ยมันทําไมต้องมาต่อกันอย่างนี้หรืออย่างเราเรียนบาลีแรกๆเนะี่ยเราก็มาดูว่าโอ้โหทําไมมันมันสับอะไรเนี่ยมันไม่เห็นจะเข้าใจโครงสร้างอะไรไม่เห็นจะพูดถึงงงไปเลยตรงเนี้ยนะตรงนี้เป็นกรรมของเรากรรมนี่หมายความาไง หมายถึงไม่ใช่ว่าเรารับผลนะแต่เป็นบบเจตนาที่ว่าเจตนาเราไม่ไปเจตนาเราไม่ชอบอืก็ใช่ไหมคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งเนี่ยนะมันง่ายๆบบตรงนี้ว่าบบพอเขาไปนั่งเรียนในห้องแล้วเขาหมุนเลยจิตมันไม่ไปตามจิตมันไม่แบบว่าสว่างวาบขึ้นมาแต่มันแบบตึงหมุนอั้นตู้ห<ง>มุนมองไม่เห็น <c oughs> เป็นลางๆนี่แบบคือกรรมกรรมนี้ไม่ใช่ผลกรรมนะไม่ใช่ผลกรรมนะแต่เป็นเจตนาเขาเป็นงี้จริงเขาเป็นงี้นะ ครับเข้าใจไหมวันแล้วพงศ์อ่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเมื่อไหร่นะตั้งความเพียรครับตั้งความเพียรมีการ ก, การะทํามีความเพียรบังเอิญไปเจอเพื่อนดีเป็นตน้นไปเจอเพื่อนดีชักชวนกันมาอติวให้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างนี้นะเจออาจารย์ดีอ่าติวให้ภาษาบาลีเป็นอย่างนี้อ่าเจอเครื่องมือดีอ่าดูหนังเป็นอย่างนี้เป็นภาษาอังกฤษมีภาษาอันนี้บอกอยู่เออเราก็ลเลยอ่าพอถูไถมาได้ถูถ่ายไม่ได้ก็คือมีความเพียรมีกิริยา มี ค, ความเพียรมีกี่ิเลสจึงมีกรรมโอ้ตรงนี้กิเลสกรรมวิบากมันจะเกี่ยวข้องกันเลยกิเลสกรรมวิบากนะครับไอนะ้กิเลสกรรมวิบากนะเพราะฉะนั้นกิเลสคือโลภะโทสะโมหะใช่ไหมใช่ครับไอนะกิเลสตรงนี้อ่าเป็นลักษณะที่ว่าจิตเรามียังมีโลภะโทสะโมหะอยู่หรือจะไม่มีก็แล้วแต่นะอ่ามันก็ยังทําให้มีกรรมมีวิบากกรรมนี่คือเจตะนาผลก็ที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อมาต่อมาอีกนะอืมครับเพราะฉะนั้นพอเรามีการตั้งความเพียร นะมีกิริยาการการทนะทําะกรรมต่างๆเลยมันก็มีเกิดขึ้นมามได้ครับอคบโอ้โหนี้โดยสรุปนี้เจตนานี้สําคัญยุดยิ่งยวดเลยนะครับใช่ครับอเรื่องกรรมนี้ก็ยังตกอยู่ในอิทธิปัจจยตาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้ า, ถาหมอแล้วผมว่าบอ่าเรื่องกรรมนี้สําคัญยิ่งยวดเรื่องอิทัิปัจยตาก็สําคัญจะพูดว่ามันก็คุมคุมกฎของกรรมอีกทีหนึ่งนะ ครับอ่าว่าสิ่งนี้สิ่งนี้มีสิ่งนั้นก็ต้องมีนะมีเหตุมีผลไปอย่างนี้มันก็แกวได้ครับเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้ครับวันนี้ก็ครบถ้วนเรื่องกรรมเอ่ออธิมาคิดว่าอธิมาสบอกถึงจุดที่อยากจะบอกอยู่ได้ได้ไปแล้วนะคือเรื่องของไอการมาทําความเพียรอย่างชนิดได้ผลอย่างชนิดไร้ผลแต่ที่เป็นเรื่องละเอียดเหมือนกับบริเวณเกรย์อารียบริเวณเทาๆ ที่บางคนมาปฏิบัติอาจจะยังคิดไม่ถูกอยู่นะเมื่อคิดถูกแล้วก็คงจะทำต่อบไปได้ทีนี้นอาจจะมีประเด็นเรื่องอื่นๆที่เราเคยพูดไว้ที่นู่นที่นี่ท่านั่นบ้างอาจจะไม่ได้มารวมตรงนี้ก็ท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรก็เขียนมาแล้วกันครับได้นะถามมาที่ w w w p e ซต์เพียวธรรมะนะครับส่วนคำถามคุณปาณิทิเดี๋ยวจะยกไว้ในใคราวดจะมาตอบตอนหน้าทั้งหมดเลยนะเขาเมแรงต่างด้วย ก็มีเท่านี้วันนี้เราพูดถึงเรื่องของกรรมรนะโดยลักษณะของผลของกรรมรนะว่าการให้ผล3ระดับนะการได้ผลโดยการขอเอาการทำความเพียรที่มีผลไม่มีผลนะแล้วก็การที่เรื่องที่ต้องระวังเกี่ยวกับการทำความเพียรตรงนีนะ้จะทำหรือจะไม่ทำหรือจะทำแบบไหนนะแล้วก็เราก็าายังพูดถึงเรื่องของความแตกต่างนะระหว่างเจ้าตัวกรรมกิริยาแล้วก็ ความเพียรับนะเราไม่ได้เกิดมาชดใช้กรรมเก่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็พูดดังนี้แหละครับออืก็ก็ให้เราตั้งใจปฏิบัติศึกษาตามแนวอริยมรรคเมืงแปดนะครับใช่ครับก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในสัปดาห์ต่อไปกลับกลับธรรมสกานครับพระคุณพระอาจารย์ไผบูรณ์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกจังหวัดอุดรธานีครับเรียนบานกลับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ